สำหรับกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรคะอ๋อกรรมฐานแก้ได้เนยแก้อย่างไรก็ขอเจริญพรต่อไปกรรมฐานแปลว่าแก้กรรมกรรมอะไรขอเจริญพรว่ากรรมครั้งอดีตที่ผ่านมาต่อพูดตรงนี้ก่อนจะเข้าใจ ค, คนที่เจริญกรรมฐานหนึ่งระลึกชาดดับสองูกกดอดแห่งกรรมสามแก้ปัญหายัางไงระละึกชาติได้ตรงไหนคนไม่เข้าใจคระละึกชาติของตัวเองได้ชาติแปลว่าอะไร คือสีแดงนี่อาตมาจะตีความก่อนเนีน่สีแดงคือชาติค่ะสีขาวคือระศาสนาสีน้ําเงินนั่นนะคือพระมหาจากกักรพงศ์ทองไตรงนี่ย่านีละละละชช้เรับผิดชอบในว่ากระมาฐานลำลึกชาติยังไงชาติคือตัวเองลำลึกตัวเองได้ลุงพ่อไม่ได้หมายม<ะ>ถึงย้อนไปในอดีตไม่ใช่ะเอานี้เลยอดีตเหมันกันอดีตที่มันฐานเอาในชาตินี้ค่ะไอชาติน้ตอย่าเพิ่งไปพูด มันไกลมากเอาที่ให้เห็นก่อนค่ะเอาดีตชาติของคุณโยมโยกตัวอย่างโยมน่าจะเป็นเด็กจเจริญวัยชนาสามาหรือเอาที่แล้วออมาปีเชียค่ะเ น, นเะล้วนี้แต่เป็นชาติ<อ>าทางเอาชาติทานั้นเกิดดับเกิดดับเป็นชาติเป็นพบค่ะแล้วก็คุณยมเนี่ยสมมุติว่ายังไม่มีธรรมะเลยค่ะยังไม่มีธรรมะมาเจริญกรรมฐานมันก็มีธรรมะขึ้นมีสติสัมปชัญญะขึ้นพอมีสติสัมปชัญญะแนบสนิทจิตนิ้วใจตัวปัญญา ปัญญาก็เลยลืกถึงชาติตัวเองด้ยยกตัวอย่างให้เห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเลี่ยงการพนันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยุ่ยแชร์แตกล้างเม่เดือนออกไปช่ยแฉรหมดไม่ได้ดูครอบครัวเลยเนี่ยนี่ตรงนี้เรามึกชาติอย่างนี้ว่าปีนี้ต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้ขาดต้องเติมเกินต้องตัดเพื่อประหยัดเวลานี่กรรมฐานขาดก็ไม่ไปเติมเกินก็ไม่ตัดถ้าอยากเวลาไม่ได้นี่เรามึกชาติอย่างนี่ชาติทิ้งเรามิตรชั้ตัวเองค่ะ อ่าตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทิฐิจะได้รับผิดชอบจะได้ประกอบปุถุชนได้ผลนาเป็นหลักฐานสาคัญตรงนี้สิจุดลุ่งจุดแวงจุดตะแคงตั้งโรคเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เอานู้งึี้ตัวเองลำนิสชาติช า, ชาติคือตัวเองไม่ใช่ชาติคือรงชาติและไม่ใช่ชาติคือหมูสัตว์หรือไม่ใช่ชาติคือประเทศชาติชาติตัวนี้หมายชีงตัวเองลำนิสชาติว่าปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องประหยัดเป็นข้าวขาเติมเข้าไป เติมตัด อ, อกครับเอาที่ตัดที่เกินน่ะออกมาเติมที่มันขาดถึงจะถูกต้องไม่ใช่กรรมาฐานไปนชวันนี้พามาบวชชีพราหมณ์ไปยังไงเหรอนะผิดล่องเลยคนี่คนหนึ่งสองลำเลืกอะไรได้ลำเลือกชาติที่สองบวลึกถึงบุปปาการีได้คถ้าคุณโยมไม่มีธรรมะไม่นึกถึงพ่อแม่เลยขอฝากไว้เลยนะขอญาติโยมทั้งหลายผู้ฟังผู้ชมก็าตามคนเราเด็กเดียว น, นี้เนี่ยขอสตางค์พ่อแม่เรื่อยถ้ามีธรรมะขึ้นมาถึงจะรู้ ขอตะทางพ่อแม่เรื่อยมีทุกทิ้งจะคิดถึงแม่นี่คือชาติบุปการีถ้ามานั่งธรรมะจะร้องห้คิดถึงแม่นะคิดถึงพ่อนะทิ้งจะถูกไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพานล้านึกชาติที่สองจะไม่ถึงบุปการีได้จะไม่ลืมแม่ลืมพ่อลืมแน่แน่ลืมปู่ย่าตายายจะไม่ลืมชาติที่ภูมิที่ภูมิเมตอนจะไม่ลืมเครื่องอุปกรณ์ใช้สอนที่พ่อแม่หามาให้และจะไม่ลืมตัวลืมตาแล้วจะไม่ลืมมือสองเท้าสองท่ามองหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาพ่อให้หัวใจแม่ให้้้มมมืืืือออใหหเเลลลดนทําไ นี่ตรงนี้เราเึกฉากได้แน่นอนจะไม่ลืมพ่อแม่เลยจะเคารพพ่อแม่อย่างดียิ่งค่ะเนี่ยประการที่สองแล้วเขาจะไม่เสียงพ่อเสียงแม่เลยน้ําตาจะร่วงทันทีนะนี่เราเึกชากที่สองสามลูกกอดแห่งกรรมจากการการทาของเขาว่าทําไปแล้วเนี่ยมันดีหรือชั่วประการใดตัวรู้ตัวเป็นปัจจัตตั้งเวจิตัาโพวิงยูหีไม่ใช่คนอื่นมารู้เรารู้ตัวแล้วจะทําผิดจะทํำถูกจะดีหรือชั่วประการใดคุณโยอมรู้ตัวอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ไปรู้คนอื่นครับ3 <Okay. S 2> มแก้ไขปัญหายัางไงในเมื่อเรารู้ดีรู้ชั่วมีเวณมีกรรมชะนีไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องยอมรับกลับ <Okay. S 2> จากที่การกระทำเขาเป็นต้น <Okay. S 2> แต่ทํามาในข้อหามาก็เพราะอย่างนี้เอง <Okay. S 2> นี่เราก็รู้แก้ปัญหาตรงนี้เขาจะเปอนพอย่างนั้น